พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ปพระสูตรที่40ทาตุวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการแจกธาตุพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นมคตสเสด็จแวะพักนกรุงราชกฤชทรงอาศัยที่อยู่ของช่างหม้อชื่อพักคะพักแรมคืนตรัสแสดงธรรมแก่กุลบุตรชื่อปุกุสาติผู้บวชอุทิตพระองค์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 ระผู้มีพระภาคตรัสประธานอภัยพระปุกกุสาติซึ่งเดิมบวชเอาเองจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทตรัสสั่งให้หาบาทจีวรในขณะที่หาบาทจีวร น, นั้นก็ถูกแม่โคควิดถึงแก่ชีวิตเมื่อมีผู้กราบทูลถามถึงคติในสัมปรายภพคือภพบเบื้องหน้าของปุกกุสาติก็ตรัสตอบว่า เป็นอนาคามีเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการได้